พระอภิธรรมปิดกบุคละบัญญัติขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกา 1. เอกอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลหนึ่งจำพวกหนึ่งบัญญัติหกประการคือหนึ่งขันธบัญญัติสองอายตนะบัญญัตสออิตญญตสาทาตุบัญญัตสิสสัจจะบัญญัติ 5. อินทริยบัญญัติ 6. ปุคละบัญญัติหนึ่งขันธบัญญัติสอง การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธ์มีเท่าไรขันธ์บัญญัติมีห้าคือหนึ่งรูปขันธ์สองเวทนาขันธ์สสัญญาขันธ์สสังขารขันธ์หวิญญาณขันธ์การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธ์มีเท่านี้สองอยตนะบัญญัติสาม การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นบอกเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่าไหร่อายตนะบัญญัติมีสิบสองคือหนึ่งจักขาายตนะสองรูปายตนะสามโสตายตนะสี่สัทธายตนะห้าคานายตนะหคันทายตนะเจดชิวหายตนะแปรัษาอายตนะ9กากายายตนะสิบโพธพายตนะ สิมานายตนะสิบสองธรรมายตนะการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นบ่อกเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่านี้3ามาตุบัญญัติ4การบัญญัติสภาวธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่าไหรท่าตุบัญญัติมีสิบแปดคือหนึ่งจักขุธาตุสองรูปธาตุสจักขุวิญญาณธาตุ สโสตะธาตุห้สัธทธาตุ6โสตะวิญญาณธาตุเจคานาธาตุแคันธาธาตุเกาคานาวิญญาณธาตุสิชิวหาธาตุสิอพระ ส, สัธาตุสิองชิวหาวิญญาณธาตุสิสากายธาตุสิบสี่โพธพธาตุ 15. หากายาวิญญาณธาตุ สิมโนธาตุสิเจ็ดธรรมธาตุสิบแปดมโนวิญญาณธาตุการบัญญัติสภาวธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่านี้สี 4. สัจจะบัญญัติหการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะมีเท่าไรสัจจะบัญญัติมีสี่คือหนึ่งทุกขสัจจะสองสมุทัยสัจจะ สนิโรธาสัจจะสมัคคสัจจะการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะมีเท่านี้หอินทริยบัญญัติ 6. ก, การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินรี่มีเท่าไหร่อินทริยะบัญญัติมียี่สิบสองคือหนึ่งจากขุนสี่สองโสตินสี่สามคาณินสีสี่ชิวหินสี่ ห้ากายินรีหมนิณรีเจ็ดอิตินศีแปดปุริศินรีเก้าชีวิตินรีสิบสุขินศีสิบเอ็ดทุกศินศีสิบสองสมณศีนีสิบสามโทมนศีนศีสิบสี่อุเบขินศีสิบห้าสัตทินรีสิบหกวิริยินรีสิบเจ็ดสตินศี สิสมาธินีสิบเกปัญญีนียี่สิอนัญญาตัญญสามีนีนีนยี่สิบเอ็อัญญินียี่สิบสองอญยาตาวินีการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินทรีย์มีเท่านี้ 6. ปุคละบัญญตัติ7การบัญญัติเราบุคคลว่าเป็นบุคคลมีเท่าไร่บุคคลหนึ่งจำพวกคือ หบุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะหนึ่งบุคคลผู้เป็นสมยะวิมุตตะ 2. บุคคลผู้เป็นอสมยะวิมุตตะสบุคคลผู้เป็นกุปปธรรม 4. บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรมหบุคคลผู้เป็นปริหานธรรม 6. บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรม7บุคคลผู้เป็นเจตนาภพภะ 8. บุคคลผู้เป็นอนุรักษนาพภะเก้ 9. บุคคลผู้เป็นปุถุชนสิบบุคคลผู้เป็นโคตรภูสิบอ็บุคคลผู้เป็นพยูปะรตะส2บองบุคคลผู้เป็นอภยูปะรตะสิบบุคคลผู้เป็นพภะคามณะสิบสบุคคลผู้เป็นอภพภาคามณะสิบห้าบุคคลผู้เป็นนิยตะ 16. บุคคลผู้เป็นอนิยตะสิบ็บุคคลผู้เป็นปฏิปันนกะสิบบุคคลผู้เป็นพระเลธิตะ 19. บุคคลผู้เป็นสมะสีสียี่สิบุคคลผู้เป็นทิตะกาปียี่สบเอ็บุคคลผู้เป็นอริยะยี่สิบบุคคลผู้เป็นอนนริยะยี่สบสาบุคคลผู้เป็นเสขะ ยี่สิบสี่บุคคลผู้เป็นอาศะยี่สิบห้าบุคคลผู้เป็นเนวะเสขานาเสขะยี่สิบหกบุคคลผู้เป็นเตวิชะยี่สิบเจ็บุคคลผู้เป็นชละพิญญะยี่สิบปดบุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะยี่สิบเบุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะสามสิบบุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะ สาบอบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ32สบองบุคคลผู้เป็นกายสักขีสาบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะ34บุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะ35บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารี36บุคคลผู้เป็นศธานุสารี37บุคคลผู้เป็นสนัตตักัตุปรม a 38บุคคลผู้เป็นโกรังโกละ39บุคคลผู้เป็นเอกภพีชี40บุคคลผู้เป็นสกธาคามี41บุคคลผู้เป็นอนาคามี42บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี43บุคคลผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายี44 บุคคลผู้เป็นอสังขาระปรินิพายี45บุคคลผู้เป็น ส, สังขาระปรินิพายี46บุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตอกนิทะคามี47บุคคลผู้เป็นโสดาบัน48บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพน49บุคคลผู้เป็นจักะทาคามี50 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลห้าสิบเอ็ดบุคคลผู้เป็นอนาคามีห้าสิบสองบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลห้าสิบสาบุคคลผู้เป็นอรหันต์ห้าสิบสี่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเอกอุเทศจบ ทุกกระอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสองจำพวก8บุคคลสองจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้มักโกรธบุคคลผู้ผูกโกรธสองบุคคลผู้มักลบหลู่บุคคลผู้ตีเสมอสามบุคคลผู้มีความริษยาบุคคลผู้มีความตรหนีสีบุคคลผู้โอ้อวดบุคคลผู้มีมายาห้า บุคคลผู้ไม่มีหิริบุคคลผู้ไม่มีโอตตปะหบุคคลผู้ว่ายากบุคคลผู้มีมิจจัวเจ็บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแปบุคคลผู้มีสติหลงลืมบุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะเกบุคคลผู้มีศีลวิบัติบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติสิบ บุคคลผู้มีแสงโยชดในภายในบุคคลผู้มีแสงโยชดในภายนอกสิบเอ็ดบุคคลผู้ไม่มักโกรธบุคคลผู้ไม่ผูกโกรธสิบสองบุคคลผู้ไม่ลบหลู่บุคคลผู้ไม่ตีเสมอสิบสาบุคคลผู้มีริษยาบุคคลผู้ไม่ตรหนีสิบสบุคคลผู้ไม่โอ้อวดบุคคลผู้ไม่มีมายาสิบห้า บุคคลผู้มีหิริบุคคลผู้มีโอตปะ16บุคคลผู้ว่าง่ายบุคคลผู้มีมิตรี17บุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์บุคคลผู้รู้ประมาณในการบริโภค18บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นบุคคลผู้มีสัมปชัญญะ19บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ20 บุคคลผู้หาได้ยากในโลกสองจำพวกยี่สิบเอ็ดบุคคลผู้ให้อิ่มได้ยากสองจำพวกยี่สิบสองบุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่ายสองจำพวกยี่สิบสาอัจฉะของบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนย่อมเพิ่มพูนยี่สิบสี่อัจฉะของบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนย่อมไม่เพิ่มพูนยี่สิบห้าบุคคลผู้มีอธัธยาศัยเลว บุคคลผู้มีอธัธยาศัยปราณียี่สิบหบุคคลผู้อิ่มแล้วบุคคลผู้ทำคนอื่นให้อิ่มทุกกะอุเทศจบสเต็กะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสามจำพวก เบุคคลสามจำพวกคือ 1. บุคคลที่หมดความหวังบุคคลที่ยังมีความหวังบุคคลที่ปราศจากความหวัง 2. บุคคลเปรียเหมือนคนใข่สามจำพวก 3. บุคคลผู้เป็นกายสักขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตะบุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะ 4. บุคคลผู้พูดภาษาขูดบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งห้าบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าบุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชรหบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเจ็ดบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนม่อคว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางแปด บุคคลบางคนยังมีกรรมราคะและภวราคะบุคคลบางคนไม่มีกรรมราคะแต่ยังมีภวราคะบุคคลบางคนไม่มีทั้งการมราคะและภวราคะเก้าบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำสิบบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจมูก 1. บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแขวนกาสีสามจำพวกส2บสองบุคคลผู้ประมาณได้ง่ายบุคคลผู้ประมาณได้ยากบุคคลผู้ประมาณไม่ได้ 13. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ควรเสบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนในโลกนี้ควรเสบควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสักการะเคารพ แล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้สิบสี่บุคคลบางคนที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 15. บุคคลบางคนที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งเข้าใกล้สิบห้าบุคคลบางคนมีปกติทําให้บริบูรในศีลทําให้พอประมาณในสมาธิ ทำให้พอประมาณในปัญญาบุคคลบางคนมีปกติทาให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาบุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาสิบหบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกสิบเจบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม่อื่นอีกเดกะอุเทศจก อุเทหมวดว่าด้วยบุคคลสี่จำพวกสิบุคคลสี่จำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษสองบุคคลผู้เป็นคนชั่วบุคคลผู้เป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วบุคคลผู้เป็นคนดี บุคคลผู้เป็นคนดีที่ยี่งกว่าคนดีสบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยี่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยี่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีสบุคคลผู้มีแต่โทษบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลผู้ไม่มีโทษห้า บุคคลผู้เป็นออคติตันยูบุคคลผู้เป็นวิปจิตันยูบุคคลผู้เป็นเนยยะบุคคลผู้เป็นปัธปรมะ 6. บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วบุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วบุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว 7. บุคคลผู้เป็นธรรมกะถึกสี่จำพวก แบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจำพวกเกบุคคลเปรียบเหมือนหนูสีจำพูกสิ 10. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสีจำพวกสิบเอดบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสีจำพวกสิบสองบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสีจำพวกสิบสาบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สีจำพวกสิบสี่บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิสีจำพูกสิบห้า บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนจำพวกหนึ่งบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญจำพวกหนึ่งบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่งบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่งสิบหก บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนจำพวกหนึ่งบุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญจำพวกหนึ่งบุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่งบุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่งสิบเจ็ด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 และกล่าวสนรเสริญผู้ควรสนรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การจำพวกหนึ่งบุคคลไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสนรเสริญผู้ควรสนรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การจำพวกหนึ่ง 18. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียนแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ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 บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปยี่สิบบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปบุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปบุคคลผู้สูงมาและสูงไปยี่สบอบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สีจมพวก2สิบสองบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมสายในรูป บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสนในเสียงยีสบุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสนในความเศร้าหมองบุคคลผู้ถือทำเป็นประมาณเลื่อมใสนในธรรม24บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเลื้อกลูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเลื้อกลูลผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเลื้อกลูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเลื้อกลูลตนเองจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกลื่อนเกลูนผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่งยี่สิบห้าบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน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 เสวยสุขมีตนประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน26บุคคลผู้มีราคะบุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะบุคคลผู้มีมานะยี่สิบเจบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งจําพวกหนึ่งบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในจําพวกหนึ่ง บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งจำพวกหนึ่งยี 28. บุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมัน่นบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกยีสิบเ บุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่ like, เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะมาก like, ทั้งเข้าถึงสุตะสามสิบบุคคลผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหวบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกฟ้าทุมบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุญทรึกบุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียด อ, อ่อนในหมู่สมณะ จะตุ ก, กะอุเทศจบห้าปัญจกกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลห้าจำพวกสิบเอ็ดบุคคลห้าจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้ต้องอาบัตและเดือดร้อน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 อันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัตไม่เดือดร้อนและรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งสองบุคคลให้แล้วดูหมิน่นบุคคลดูหมินด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลผู้เชื่อง่ายบุคคลผู้โลเล บุคคลผู้โง่โ ง, ง่ง่ายสบุคคลเปรียบเหมือนนักลบอาชีพห้าจำพวกสบุคคลผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดห้าจำพวกหบุคคลผู้ถือการห้ามพัดอันเขานำมาถวายในภายหลังเป็นวัดห้าจำพวกหกพิษุผู้ถือการนั่งชันอาสนะเดียวเป็นวัดเจ็ดพิสุผู้ถือผ้าบังสกุลเป็นวัดห้าจำพวกแป ภิกษุผู pues ้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดห้าจำพวกเก้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกสิบภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกสิบเอ็ดภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดห้าจำพวกสิบสองภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัดห้าจำพวกสิบสาม ภิกษุผู้ถือการนั่งบนอาสนะตามที่ได้จัดไว้เป็นวัดห้าจำพวกสิบสี่ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกปั้นจ ก, กราอุเทศจบหกจักกะอุเทศ หมวดว่าด้วยบุคคลหกจำพวกสิบสองบุคคลหกจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและถึงความชำนาญในโทศพลยานจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนแต่ไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้น และไม่ถึงความชํานาญในทศพลยานจําพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันและบรรลุสาวกบารมีจําพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันแต่ไม่บรรลุสาวกบารมีจําพวกหนึ่ง บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันเป็นพระอนาคามีไม่มาสู่โลกนี้อีกจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามียังมาสู่โลกนี้อีกจำพวกหนึ่งชากาอุเทศจก เจ็ชาติกาอุเทศหมวดว่าด้วยบุคลบคลเจ็ดจำพวกส3บบุคคลเจดจำพวกคือหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำเจ็ดจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองสองบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก 3. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่สี่ บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูหบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปหบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง 7. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก2อบุคคลผู้เป็นอุปตโตภาควิมุตตะบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นกายสักขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปตตะ บุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้เป็นศธานุสารียสัตตกะอุเทศจบ8อัตตกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลแปดจำพวกสิบสบุคคลแปดจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคสี่จำพวกบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยผลสี่จำพวกอัตตกะอุเทศ เก้านวกาอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลเก้าจำพวกสิบห้าบุคคลเก้าจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะสองบุคคลผู้เป็นปัิเจรกระพุทธะสบุคคลผู้เป็นอุปตโตภาควิมุตตะสบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะหบุคคลผู้เป็นกายสักขีห บุคคลผู้เป็นทิฏฐิป ต, ตะเจ็ 7. บุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะแปดบุคคลผู้เป็นธรร ม, มานุสารียเกบุคคลผู้เป็นสัทานุสารีนวกาอุเทศจบสิบทศกาอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสิบจำพวกสิบหบุคคลสิบจำพวกคือหนึ่ง บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ห้าจำพวกบุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวจรภูมินี้แล้วสำเร็จห้าจำพวกทัศกะอุเทศจบมาติกาบุคละบัญญัตจบ เทหนึ่งเอกบุคธะบัญญัติหนึ่งบุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายทุกการทุกสมัยและอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมยวิมุตตะสองบุคคลผู้เป็นอสมยาวิมุตตะเป็นไฉนะ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกขแปดเรือกายทุกการทุกสมัยแต่อาสะวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอาสมะยวิมุตตะแม้พระอริยะบุคคลทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอสมะยวิมุตตะในอริยะวิโมก 3. บุคคลผู้เป็นกุปปธรรมเป็นไน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 ตามกำหนดเวลาที่ต้องการข้อที่สมาบัดเหล่านั้นจะพึงเสื่อมไปเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอคุปธรรมพระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอคุปธรรมในอริยวิโมกข์หบุคคลผู้เป็นปริหานธรรมเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอารูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นไม่ใช่ได้ตามที่ต้องการไม่ใช่ได้โดยไม่ยากม่ใช่ได้โดยไม่ลำบากไม่ใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกําหนดเวลาที่ต้องการข้อที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นเพราะอาศัยความประมาท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 ถ้าไม่ตามใส่ใจย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเจตนาพภะแบุคคลผู้เป็นอนุรักษนาพภะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นไม่ใช่จะได้ตามที่ต้องการม่ใช่จะได้โดยไม่ยากไม่ใช่จะได้โดยไม่ลำบากมิใช่จะเข้าสมาบัติ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 และไม่ปฏิบัติเพื่อละสภาวะธรรมเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปุถุชนสิบบุคคลผู้เป็นโคตรภูเป็นไฉไการก้าวลงสู่อริยธรรมมีในลำดับแห่งสภาวะธรรมเหล่าใดบุคคลผู้ประกอบด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นบุคลบรรลบคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโคตรภูสิบเอบุคคลผู้เป็นพยูประตะเป็นไฉไ พระเสขะเจ็ดจำพวกและปุถุชนผู้มีศีลชื่อว่าผู้เป็นพยูปรตตาพระอรหันชื่อว่าผู้เป็นอภยูปรตตาสิบสองบุคคลผู้เป็นอภ พ, พพาคมณะเป็นไนบุคคลผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสามโง่เขลา ไม่ควรอย่างลงสูญนิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้เป็นอภพพาคมณะ 13. บุคคลผู้เป็นภพภพาคมณะเป็นชนบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นเคือกรรมเครื่องกั้นเคือกิเลสเครื่องกั้นเคือวิบากเป็นผู้มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาไม่งโง่เขลาควรอย่างลงสูญนิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้เป็นพภะคามณะสิบสี่บุคคลผู้เป็นนิยตะเป็นไฉนบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมห้าจำพวกบุคคลผู้เป็นนิยตะมิชชัทิฐิและพระอริยบุคคลแปดจำพวกชื่อว่าผู้เป็นนิยตะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนิยตะสิบห้าบุคคลผู้เป็นปฏิปันนากะเป็นไฉนยัย บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยมรสีจำพวกชื่อว่าผู้เป็นปฏิปันธกะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยผลสีจำพวกชื่อว่าผู้เป็นพาเลทิตะ 16. บุคคลผู้เป็นสมะสีสีเป็นไนะความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของบุคคลใดไม่ก่อนไม่หลังบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมะสีสีสิบเจบุคคลผู้เป็นติตะกรปีเป็นไนะ บุคคลนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพนและเป็นเวลาที่กลับถูกไฟไหม้กลับไม่พึงถูกไฟไหม้ตราเท่าที่บุคคล น, นี้ยังไม่ทําให้แจ้งโสดาปฏิพนบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิตตากับปีบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยมัคแม้ทั้งหมดชื่อว่าผู้เป็นทิตตากับปีสิบปดบุคคลผู้เป็นอริยะเป็นไนะ พระอริยะบุคคลแปดจำพวกชื่อว่าผู้เป็นอริยะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนาญาสิบเก้บุคคลผู้เป็นเสขะเป็นไนบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคสี่จำพวกบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสามจำพวกชื่อว่าผู้เป็นเสขาพระอรหันชื่อว่าผู้เป็นเสขาบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นเนวะเสขานาเสขะ ่บุคคลผู้เป็นเตวิชะเป็นชนะับุคคลผู้ประกอบด้วยวิชาสามชื่อว่าผู้เป็นเตวิชะยี่สิบเอ็ดบุคคลผู้เป็นชลพิญยะเป็นชนะบุคคลผู้ประกอบด้วยอภิญญาหชื่อว่าผู้เป็นชลพิญยะยี่สิบสองบุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นชนะับุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสีด้วยตนเอง ในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนบรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้นและถึงความชำนาญในโทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะยี่สิบสาบุคคลผู้เป็นปัจเจ ก, กพุทธะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนแต่ไม่บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้น และไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัจเจกกระพุทธะยี่สิบสี่บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกแปรต้วกายอยู่และอา จ, จะวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะยี่สิบห้า บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุค GOD, บคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตตะยี่สิบหบุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา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 และอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะ2ี่สิบบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันหนึ่งสภาวะธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว เนอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนผู้ชื่อว่าทิฏฐิปตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศัท ธ, ธาวิมุตต์ต์ยีบบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นไงนะปัญญีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่ง บุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นตัวนํามีปัญญาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปติผลชื่อว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะสาสบุคคลผู้เป็นสธานุสารีเป็นฉไน สัตทินรีของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเป็นตัวนํามีศรัทธาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลชื่อว่าผู้เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นศัทธาวิมุตติสาสิเอ บุคคลผู้เป็นสัตตักขัตุประมะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยสสามประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกเจ็ดชาติแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตตักขตุปรสามสิบสอง บุคคลผู้เป็นโกลังโกละเป็นฉนยัยบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปสองหรือสามตระกูลแล้วจึงจะทําที่สุดแห่งทุกได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโกลังโกละสาสบุคคลผู้เป็นเอกภพีชีเป็นชน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 เพราะสัง่งยศสารประการสิ้นไปและเพราะทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสกทาคามี35บุคคลผู้เป็นอนาคามีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสัง่งยศเบื้องต่ำทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาตนั้นเมื่อกลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามี 36. บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้อตามทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาตนั้นเมื่อกลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนั้นยังอริมักให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงในลำดับที่เกิดบ้างยังไม่ถึงถ้ำกลางประมาณอายุบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอันตราปรินิพพายีสาสิบเจบุคคลผู้เป็นโอปหัจจะปรินิพพายีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องสามทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพายในชั้นสุดท่าวาดนั้น ไม่กลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมักให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงก้าล่วงท้ำกลางประมาณอายุบ้างใกล้จะทำกาละปริยาบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีสาสิ 38. บุคคลผู้เป็นอสังขาระปรินิพพายีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องตาทั้งห้าประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นเมื่อกลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยามักให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสังขาระปรินิพพายีสามบุคคลผู้เป็นจะสังขาระปรินิพพายีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ รสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาตนั้นเมื่อกลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรคให้เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมากเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็น ส, สังขาระปรินิพพายีสีสบุคคลผู้เป็นอุทเงโสโตโอคติทฐคามีเป็นไฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องตามทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาดนั้นเมื่อกลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นจุติจากอวิหาภพแล้วไปสู่ชั้นอตาปาภพจุติจากชั้นอตาปาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทธาสาภพจุติจากชั้นสุทธาสาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทธาศีภพ จุติจากชั้นสุทัศสีพบแล้วไปสู่ชั้นอาการิฐภพยังอริมารคให้เกิดขึ้นในชั้นอาการิถภพเพื่อละสังโยตเบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าอุทังโสโตอาการิถคามี 41. บุคคลผู้เป็นโสดาบันและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพลเป็นไนบุคคลผู้ปฏิบัตเพื่อละสังโยสามชื่อว่า ผู้ปฏ <c> ิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลบุคคลใดละสังโยชน์สามได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโสดาบัน42บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําการมราคะและพยาบาทให้เบาบางชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งจกะทาคามิผลบุคคลใดทําการมราคะและพยาบาทให้เบาบางบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสกะทาคามี สี่สิบสาบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละการมาราคะและพ ย, ยาบาทโดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลบุคคลใดละการมาราคะและพยาบาทได้โดยไม่เหลือบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามีสี่สิบสี่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาโดยไม่เหลือชื่อว่า ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลใดละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้โดยไม่เหลือบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอรหันต์เอกนิเทศจบ